ผู้เด่นจนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นมนุษย์ผู้หนักในทางนี้บางทีเทพยังแสดงมารยาและจะจับเอาท่านทั้งเป็นก็มีโดยบอกว่ารักท่านมากท่านต้องชี้แจงให้เขาฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วเขาก็หยุดไม่ทําต่อไปแตก่ก็พอจับมาเป็นข้อคิดได้นึกว่าคนละพบละภูมิจะไม่มีความรักใกล้ใยดีต่อกันในทางอารมณ์ได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่าราคะตัณหานั้น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 ถึงกับต้องถามเทวดาว่านี่เทวดานิรมิตกายให้หยาเหมือนกายมนุษย์หรือจึงมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตาใจทั้งตาเนื้อเหมือนมองเห็นสิ่งต่างๆเทวดาบอกท่านว่าเทวดาจะทําให้กายละเอียดก็ได้หยาก็ได้ไม่ลําบากยากเย็นอะไรเลยขณะนี้เทวดานิรมิตกายหยาบหรือกายละเอียดท่านถามนิรมิตเป็นกายหยาบเขาบอกท่านก็เวลามีคนมาที่นี่มองเห็นเข้าจะทําอย่างไร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 แต่ขอผ่านไปทั้งที่เสียดายเพราะผู้เขียนไม่สามารถจําได้ทุกแง่ทุกกระทงที่นํามาลงบ้างกอเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาว่าจิต ด, ดวงที่เข้าสวมร่างนั่นร่างนี้อยู่ตลอดพศตลอดชาติไม่มีเวลาหยุดอย่างนั้นได้หมุนตัวไปอย่างไรทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตายแล้วโูนการโูนกับความจริงที่ไม่โูนและค้านกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนั้น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 ส่วนประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงคขวยตา ม, มาเองเมื่อนักปฏิบัติผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมเท่าที่ควรหรือสมบูรณ์เต็มที่แล้วเริ่มแรกท่านทรงสอนเพื่อตนก่อนอื่นคล้ายกับจะไม่ให้มองดูหน้าใครเลยนอกจากมองดูความผิดถูกชั่วดีของตนเท่านั้นทางสอนให้ระวังสิ่งทําลายจิตใจโดยทางอ้อมคือเรื่องก่อความยุ่งยากหรือเครื่องกังวลใส่ตนด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกเขาทํากัน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 อยู่แต่ในปากภาวนาแบบหลับหูหลับตามาได้มองดูเดือนดาวและโลกสงสารบ้าจเจริญรุ่เรืองไปอย่างไรบ้างผู้ทําการความจเจริญก้าวหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบทันสมัยมาใช้ภิกษุเท่าไม่มีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ก็เอาแบบทุต ด, ดงงวัดเก่าแก่ที่พระเจ้าประธานให้มาใช้ไปตามภาษาของตนแต่ใครๆก็ชอบมายุ่งมากวุ่นอยู่ไม่ไวมายไม่ให้อยู่สบายได้พอชั่วขณะบ้างเลยเมื่อมาแล้ว แทนที่จะใช้สติปัญญาซอสองมองข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องยึดดำเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางรัดตัดกิเลส ด, ด้วยกิจนั้นงานนี้เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนานั่นหรือวาสนาเห็นแต่กิเลสมันร้อยรัดเอาจนหาเวลาอยู่สงบสุขไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวมีแต่อารมณ์ฉุดลากไปตรอกนั่นซอยนี้จนก้นไม่ติดพื้นนั่นหรือวาสนาของพระปฏิบัติผมโง่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 ก็เริ่มขายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามรวดลายของแต่ละคนอันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคตให้เห็นอย่างชัดเจนแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเน้นว่ามีใครบ้างที่อยากเป็นคนเก่งกล้าหน้าด้านไม่มียังอายแต่ขณะนี้อยู่แล้วทั้งที่อยู่กับผมเวลานี้ให้บอกมาจะได้ยกให้เป็นศาสตราจารย์ทางภาคป ฏ, ฏิบัติเสียแต่บัดนี้ทั้งที่ยังโง่เต็มตัวแต่อยากให้เขาชมว่า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 แต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับไปชอบใจที่เผ็ดเผ็เร้อนๆ้อนมากกว่าธรรมดาเพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบโผล่หน้าขึ้นมารับอัดรับทาง่ายๆเวลาโผล่ขึ้นมารับทําบ้านแม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอาจึงได้นำนำมาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันอาจสะดุดใจนําไปคิดเพื่อประโยชน์สําหรับตัวบ้างหากเป็นการไม่สมควรก็ขออภยัยตามธรรมดา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 และมีสินธรรมดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าที่อื่นจึงได้พากันย้ายครอบครัวมาตามคําญาติเล่าให้ฟังฮวงไดเปิดคําว่าญาติกรุณาซาบวาเป็นผีเช่นกันฮวงไดปิดท่านถามเขาว่าเขาว่าอดอยากกันดานนั้นอดอยากกันดานอย่างไรเพราะไม่ได้อาศัยข้าวปลาอาหารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องมุอมใช้สร้อยเหมือนมนุษย์จะต้องถลูกสร้างขวนขวายให้ลําบากและมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่การกินเหมือนมนุษย์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 ฉะนั้นคําว่าอดอยากและสมบูรณ์จึงมีได้ในสัตว์ที่มีคำรรดีชั่วหนักเบาไปตามภูมิของตนท่านถามที่ว่าผีมีศีลธรรมและไม่มีศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรผีก็รู้จกักศีลธรรมเช่นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบเขาว่าศีลธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เพียงแต่มนุษย์อย่างเดียวความดีและความสุขในหลักธรรมชาตินั้นสัตว์รู้กันทั่วโลกแต่ชื่อนั้นอาจรู้หรือไม่รู้ก็ได้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 เคยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนิทติดจมเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นกันเวลาตายไปกลับได้มาเกิดเป็นผีด้วยกันและต่างคนยังจํากันได้อย่างถนัดชัดเจนจึงเป็นญาติกันโดยสายโลหิตมาแต่มนุษย์จนปัจจุบันอย่างแยกไม่ออกนอกจากกรรมจะแยกให้ไปเกิดในที่ต่างกันจึงสุดวิสัยที่จะจําท่านถามเวลามาอยู่เชียงใหม่แล้ว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 ผีต้องนำติดตัวไปด้วยหรือจะว่าวิบากกรรมของผีวิบากกรรมของคนสมบัติของผีสมบัติของคนก็ไม่ผิดเมื่อวิบากกรรมมีอยู่กับตัวท่านถามการอยู่ทางนู้นก็ดีการมาอยู่เชียงใหม่ก็ดีต้องมีบ้านเรือนอยู่และมีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือต่างคนต่างอยู่เขาตอบต้องมีบ้านเรือนและมีหมู่เพื่อนลูกหลานเช่นเดียวกับมนุษย์ด้านศาตรอื่นนั่นหลาทาน เพราะพวกนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่ม่รูปกายไม่ปรากฏในสายตามนุษย์และสัตว์บางจำพวกเท่านั้นแต่เปิดเผยในจำพวกกายทิพย์ด้วยกันความสุขความทุกข์ก็มีเหมือนกันเพราะใจผีกับใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมและวิบากกรรมเหมือนกันจะเกิดในภพกําเนิดใดอยู่ที่ใดจึงมีวิบากกรรมเป็นเครื่องสวยเหมือนกันท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัว ผัวเมียลูกหลานผ่านมาพินานวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวแยกเรือนลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหางต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจําพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหลทําให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจําแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทําไว้ ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในศาสตร์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงยาละเอียดต่างกันเท่านั้นท้งกายยากายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรืนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เอง จึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนด้วยความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉนั้น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 หรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามายเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบทนั้นๆ ไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทาสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียรสตินั่นแหละคือทำรับรู้ทำต้านทานทำต่อสู้ทำหลบฉากในวิธีการรบทำาคืบหน้ากล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตทค า, าสติเพียงอย่างเดียวก็เจงท่านอาจารย์มั่นสอนนักปฏิบัติจึงควรบารุงสติสติควรมีอยู่กับธรรมทุกขั้นทุกภูมิของจิต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 จะต้องเบิกทางให้เดินจนได้คือสมาธิทุกขัน้นปัญญาทุกโภมจะเกิดและมีกำลังได้ด้วยอำนาจสติเป็นเครื่องบำรงุงหนีไม่พ้นทางเชื่อมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติพระนิพพานได้แก่สตินี่แลเป็นผู้สนับสนุนใครจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็าตามถ้าขาดสติแล้วสมถะและวิปัสสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลยนะับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดิน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 จะเคลื่อนไหวโยกย้ายความคิดเห็นไปในทางใดหยาบหรือรละเอียดในทาขั้นใดต้องมีสติเป็นตัวการสำคัญในวงความเพียรปัญญาเมื่อถึงคราวคิดคนจงคิดคนให้เต็มฝีมืออย่าอ้อมแรงกลัวปัญญาจะล้นฝั่งถ้าสติมีกำกับปัญญาไปทุกระยะที่พิจารณาคิดคนแล้วปัญญาจะไม่ล้นฝังกลายเป็นความเลวไห ล, หลไปได้ที่ปัญญากลายเป็นน้าล้นฝังจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้น เพราะขาดสติคำขับปัญญาจึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอปัญญาที่มีสติเป็นเพื่อนสองต้องก้าวขึ้นสู่หาปัญญาโดยไม่ขาดหมายลงใจมีมหาสติมหาปัญญาเป็นเพื่อนสองแล้วกิเล จ, จะนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ไม่ทนความแตกทลายเพราะอำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้การทาความเพียรอย่าสนใจมองดูเวลาสถานที่หรือสิ่งใด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 การสแสวงหาสถานที่ก็สแสวงจนเป็นที่พอใจสติก็ตั้งปัญญาก็คิดไปในขณะเดียวกันอย่าให้เสียเวลาไปเปล่าสติปัญฐาสี่และสัจธรรมสีนั่นคือสนามรบจงทุ่มเทสติปัญญาสทาความเพียรลงที่นั่นอย่าสงสัยว่ามากผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกประจากวงสติปัญฐาสี่และสัจจธรรมสีนี้ทำดังกล่าวเป็นที่ยืนยันรับรองมากผลมาแต่ดึกดําบรน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 ท่านจงพยายามในข้อปฏิบัติเพื่อความปลอยวางที่จุดนั้นอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเพราะทํานั่นไม่ใช่ทําคาดคะเนไม่ใช่ทําเดาแต่เป็นทำจริงใครจริงในข้อวัดปฏิบัติที่ประธานไว้ผู้นั้นจะเข้าถึงทำจริงปราศจากความดนเดาใดๆทั้งสิ้นดังนี้พอเมตตาสั่งสอนจบลงท่านอาจารย์องค์นั้นก็ก้มลงกราบโดยทางสมาธิภาวนาเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่น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 มาเมตตาสั่งสอนท่านเสมอท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยวาสนาแปลกๆอยู่บ้างที่สําคัญก็คือท่านชอบอยู่ในป่าในเขาและชอบเที่ยวคนเดียวแม้จะออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะบ้างก็เพียงชั่วคราวและชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมีเสือเป็นต้นแต่ชีวิตท่านก็ผ่านมาได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัยครั้งหนึ่งตอนกลางวันท่านพักจำวัดอยู่ในกุฏิเล็กๆพรอิญวันนั้น โยมมาดาท่านไปที่วัดไม่ทราบอะไรดนใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปศาลาอย่างรีบด่วนโดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมัศีมาอยู่ที่ศาลาขอนิมนต์ท่านลงไปศาลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทั้งร้องเรียกทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้ากุดีให้รีบลงไปโดยด่วนจนท่านตกใจตื่นขึ้งหลับและรีบลงมาจากกุดีทันทีไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าพระนางมาสศีอยู่ที่ศาลาจะจริงหรือเท็จ ก็ยังไม่ได้พิจารณารีบลุกพรวดพลาดลงจากกุฏิเลยในเดี๋ยวนั้นน่าอัศจรรย์เกินคาดเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะนั้นคือพอท่านลงจากกุฏิมาด้วยความรีบรวนได้ดประมาณสาวัเท่านั้นต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิท่านก็หักลม้มลงทับกุฏิท่านในขณะนั้นจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นเหลืออยู่เลยถ้าท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏิโดยโยมท่านไม่ได้มาปลุกอย่างกระทันหันแล้ว อย่างไรก็คงหลับเตลิดไปเลยจนป่านนี้คงไม่มีวันตื่นแน่นอนท่านว่านี่แลคือกรรมที่ยังสืบต่ออยู่จึงยังไม่ถึงที่ชีวิตก็ยังผ่านมาได้ถึงวันนี้ไม่งั้นก็คือขณะนั้นแน่นอนเป็นวาระสุดท้ายท่านพอเรื่องผ่านไปแล้วท่านจึงถามโยมันดาว่าเพราะเหตุไรอยู่ๆจึงมาเรียกปลุกท่านอย่างรีบด่วนจนไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรีบลุกออกมาทั้งที่กําลังเป็นบ้าหลับบ้าตื่น และเวลาตื่นขึ้นมาแล้วยังงงงันอยู่เลยแม้กระทั่งไม้ลมทับกุดีโยมมดาบอกว่าเหมือนมีอะไรบันดาลใจให้ต้องรีบไปปลุกท่านให้ลุกเพื่อมาดูพระนางมาสีประกอบกับขณะนั้นก็ปรากฏเห็นพระนางมาสีมานั่งอยู่บนศาลาจริงๆด้วยโดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมาสีจึงอยากให้พระลูกชายมาต้อนรับและดูพระนางมสีแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวทสันดรชาดก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 ท่านว่ากรรมบันดาลจริงๆที่ว่าพระนางมัซีมานั่งอยู่ที่ศาลานั้นน่าจะเป็นเทวดานิมิตเพศเป็นพระนางมัซีมาช่วยชีวิตท่านไว้ไม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้นไม่ได้เป็นท่านมาจนบัดนี้เลยฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนั่งอยู่บนศาลารูปร่างสวยงามมากไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงที่ประกาศตนว่าเป็นพระนางมาัซีซึ่งนั่งอยู่บนศาลานั้นแต่เวลาพาการกลับมาดูอีก หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่เห็นมีพระนางมาซีอยู่ที่นั่นเลยเห็นแต่รูปพระเวสสันดรกับรูปพระนังมาซีที่มีอยู่บนศาลามาดั้งเดิมเท่านั้นใครๆนึกประหลาดและอัศจรรย์ไปตามๆกันที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทํานองนั้นท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกหวุดหวิดตัวชีวิตมาหลายครั้งคือเคยเผชิญกับเสือมาหลายครั้งไม้ลมทับพูดีแหลกรละเอียดองค์ท่านเทวดาปรรดาให้หนีพ้นไปได้อีก ครั้งสุดท้ายนี้ก็อวดวดีไปเหมือนกันคือวันนั้นเดินทางไปพักในป่าใหญ่นอกบ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากเดินทางมาจากเขาพอมาถึงที่นั่นค่ำพอดีจึงแวะพักในป่านั้นพอตกกลางคืนราวสามทุม่ทั้งฝนทั้งพายุโหมกันมาอย่างหนักทั้งลูกลูกเห็บเมตโตโตก็โรงพร้อมกันหาที่หลบหลีกไม่ได้ต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจําเป็นตามองไม่เห็นอะไร ฝนก็ตกเต็มที่ลูกเห็บก็ลงราวกับพังหินลงจากภูเขาพายุใหญ่ก็โหมกันมาเหมือนต้นไม้จะถอนไปทั้งรากทั้งโคนขณะยืนเปียกฝนมือข้างหนึ่งถือกรดต่างไว้บาข้างหนึ่งสะพายบาดยืนหนาวตัวสันอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนลูกนกถูกฝนไม่นึกไม่ฝันเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นคือกิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุพัดทนไม่ไหวหากขาด ตกลงถูกกรดในมือท่านแลกละเอียดหมดบาทหลุดบาตตกระเด็นไปคนละทิศระทานคราวนี้เป็นอันว่ายังเหลือแต่ตัวกับลมหายใจทนหนาวอยู่คอยวรสุดท้าจะมาถึงบริหารชิ้นใดตกไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เพราะเป็นเวลากลางคืนฝนกาลังตกหนักพายุ ก, กำลังแรงเต็มที่ตามองไม่เห็นอะไรมีแต่ยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าจะหยุดทางานกันขณะใดา ย, ยังมีติดตัวอยู่เฉพาะ สมงกับจีวรที่นุ่งห่มปกปิดกายเท่านั้นทั้งเปียกบอนไม่มีดีเลยความหนาวเหน็บเจ็บปวดปรากฏว่ารวดร้าวไปทั้งร่างชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนึกว่าตัวเองตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนหาอะไรเทียบไม่ได้เวลานั้นยืนนึกถึงพระเจ้าผู้เป็นบรมครูที่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตัวที่กาลังได้รับอยู่เวลานั้นมากมายท่านไม่เห็นเป็นอะไร ยังเล็ดรอดอันตรายทั้งหลายมาจนได้ตราสรุปเป็นศาสดาสอนโลกส่วนเรามีทุกบ้างช่วระยะเวลาฝนตกเท่านี้ยังทนไม่ไหวก็ควรตายไปเสียอยาเสียดายชีวิตเลยพอฝนและพายุสงบลงซึ่งเป็นเวลานานประมาณสองชั่วโมงเศษ จ, จึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้านทีแรกนึกว่าตายไปกับฝนกับพายุและลูกเห็บหมดแล้วคืนนั้นไม่ได้พักหลับนอนทั้งคืน ทั้งยืนทั้งนั่งตัวสั่นอยู่ตลอดสว่างขณะที่ฝนกําลังตกนั้นก็าบังเอิญมีงูสามเหลี่ยมใหญ่ตัวหนึ่งเลยเข้ามาหาท่านไล่ก็ไม่ยอมหนีมันเลือยเฉียดมาที่เท้าก้มลงดูใกลๆจึงทราบว่าเป็นงูสามเหลี่ยมที่พอมองเห็นได้บ้างก็เพราะเป็นหน้าเดินหงายแม้จะมืดด้วยอากาศฝนก็ยังพอมองเห็นได้งูตัวนั้นจากไล่ไม่ยอมหนีแล้วมันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆคนอีก ห่างกันประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นจึงทำให้คิดโปรงอนิจจังว่าคราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทนแต่งูตัวนี้เวลาฝนตกคงนึกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงกลับมานอนคนอยู่ข้างเราอย่างนี้ซึ่งไล่ก็ไม่ยอมหนี้ฉลยมันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมังพอโปรงอนิจจังตกก็เลยหยุดไล่ปล่อยให้มันนอนอยู่ตามสบาย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 เมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้างจึงเที่ยวค้นดูบริคารต่างๆที่ตกหายไปเจพาพกรดถูกกิ่งไม้ทับแหลกไม่มีเช่นดีเลยส่วนบาทถูกไม้ทับบู้บีบไปหมดแต่ยังพอแก้ไขได้จึงนํามาทุบตีที่บุบออ ก, ออกพอได้ใส่อาหารฉันในวันต่อไปตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่านต่างพากันมาปรองธรรมสังเวชว่าท่านมีบุญมากไม่ตายไปเสียแต่คืนนี้น่าสงสารท่านเหลือประมาณ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 ชีวิตท่านเป็นมากับความทุกข์ทรมานดังที่ทราบอยู่ขณะ น, นี้แม้เช่นนั้นท่านก็มายอมลดละความเพียรที่ท่านนั่งลิงนอนลิงทนหนาวตลอดคืนก็คือการรบค่าศึกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าวิธีจนตรอกถูกค่าศึกคือฝนตกพายุพัดลูกเห็บตกและกิ่งไม้หักตกลงมาทับบริขารแหลกกระจายจซึ่งเป็นค่าศึกชนิดล้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ ที่เรียกว่ารบค่าเศึกแบบวิธีจนตรอกตัวเองแทบตายแต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้นับว่ายังไม่ถึงคราวแต่ผ่านมาจนได้เป็นครูอาจารย์ให้อัดให้ทำคณะลูกศิษย์ยังได้ฟังธรรมเดนตายจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมก็คงไม่เหลือเป็นธรรมเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้วคณะลูกลูกศิษย์รู้สึกได้เปรียบท่านอยู่มากอยู่ๆก็ได้ฟังไม่อยากเย็นเข็นใจเหมือนท่านถูกขวนก๋าย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 สมัยท่านอาจารย์ม่านยังอยู่ท่านได้รับความชมเชยว่ามีนิสัยในการสงเคราะห์เทวดาพูดเรื่องเทวดาเปรตผีพญานาครู้เรื่องกันเป็นผู้มักน้อยสันโดดชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาคนเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาฐารดีประคองความเพียรดีไม่ค่อยตื่นเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้น น, น, น, น, นี้กันอย่างง่ายดายถือป่าเข้าถ้ำเงื่อมผาเป็นที่อยู่เรื่อยมาตามทางดาเนินของครูอาจารย์ที่พาดาเนิน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 ท่านมีนิสัยไม่ชอบกลืนกลนวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องทถยทานทั้งหลายยิ่งกว่าการสนใจในธรรมจึงทำให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักสแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบำเพ็ญเพื่อธรรมที่ตนมุ่งหมายจะสะดวก